พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่23เมษายน2555มีชื่อเรื่องว่ายกเหตุผลเหนืออารมณ์ตามจริงวันนี้ หลวงพ่อจะได้ไปอำเภอท่าบ่อนะสวดมนต์เย็นวันเกิดของหลวงพ่อเลิศเจ้าอาวาสวัดอรัญท่าบ่ออรัญญวาสีบ่ตาบ่อวัดหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เทศวัดเก่าแก่อยู่ที่อำเภอท่าบ่อจะได้มีเจ้าอาวาสหุดน้องหลวงพ่อทนะ่านประคูเลิศ เป็นวันเกิดของท่านในมน์สวดมนต์เย็นเมื่อวานนะียแล้วก็ในมน์ฉันเช้าวันนี้แล้วก็หล่อพระอีกจะหล่อพระไปไว้ที่โรงพยาบาลนี่ิธีกรรมจะมีการเททองพระวันหลงพ่อมาไปฉันเมื่อวานออกตั้งแต่ตีห้าไปฉันย่วัดหลวงปู่บุญมีวันทำบุญ แม่ของท่านหลวงปู่คุณมีนาคูณวนันตรงปู่ลีเขามาหลวงปู่คูณหลวงพ่อสุดใจให้ฉันคนก็เยอะอยู่นะคนมากอยู่วนนะันพอฉันเสร็จแล้วก็กลับวัดหลวงพ่อก็กลับวัดพอกลับวัดคิดว่าเออคืนจะพักสักหน่อยสี่ห้าโมงนะพอกลับมาแล้วพกทางวัดหลวงปู่คุณมี ตามมาอีกเลยพ่อตามอีกเลยหมูนั่นมาหมูนี่มาหมูนี่มาหมูนั่นมาเกือ <c oughs> บห้ามงเย็นมื่อวานโอ้โตโตโตโตไปไม่ไวล่ะหลวงพ่อเลิศเออถ้าไปก็ไม่ไวรถใช้งนานเกินไปแล้ววันนี้วะ่ะเลยไม่ได้ไปเมื่อวานมื้อเช้าเนี่ก็เลยเออ คูบาอาจารย์ยงลายมากเยอะมากว่ะพ่อก็เลยไม่ได้ไปมอเช้านี้อีกตมามไม่จริงก็ท่านก็มาวัดเรานะเราก็บางทีบางปีเราก็ไปแต่บางปีเราก็อย่างว่าเนนะี่ยมันติดธุระขู่คนมากแต่เราจะไปก็ยังง่ายอยู่มันสุขภาพทันทีมันไม่ไหวฮมันไม่ใช่พาะน้อยพระหนุมนะ่มแล้ว คณะชาติายญาติโยงโลกลูกหลานมันจะป่าเขาเจ็ดสิบล่ะคุณอายุเจ็ดสิบเนี่ยมันใครจะว่าโอ้หลวงพ่อสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเน่ยเขาก็ว่าไปอย่างนั้นตัวเองรู้แก่ใจมันเป็นยังไงฮะมันไม่เหมือนแต่ก่อนถ้ามันเหนื่อยแล้วมันนอนไม่หลับมันเพลียนะเขว่าหิวโหวยเนะี่ยรู้ได้แหละเดน หิวมันเป็นอย่างหนึ่งโห่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะอห่วยรุยแรงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหนื่อยยุ่แต่มันนอนไม่หลับนะเพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเกินไปฮะมันรุยแรงหมดแรงนี่แหละร่างกายสังขารมันเป็นอย่างนี้แหละพวกเราเกิดเป็นน้อยเป็นหนุ่มต่อไปกัดเดินตามหลังกันไปเรื่อย โบราณเขาบอกว่าสิบปีอาบน้ำไม่หนานะมันอย่างที่ว่านะี่ยมันไม่รู้จักร้อนจักหนานะอายุยี่สิบปีสาปีสาวปีาวปอายุยี่สิบปีสนุกสนานลืมตัวนะนะสามสิบ ป, ปีสี่สิบ ป, ปีจนแปดสิบปีเก้าสิบปีเก้าสิบปี เป่าคุยไม่ดังไงเป่าคุยไม่ดังไปที่เก้าสิบปีตีละครก็ไม่สนุกป่ว ย, ยแล้วมันจะสนุกได้เนะี้ยมันแก่พอแรงแล้วมันอะไรมันมองอะไรมันไม่สนุกสนานทุกอย่างนะ่ะนี่แหละอายุแก่มันเป็นอย่างั้นงไงวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามเมษายนพุทธศักราช 2,555 วันนี้ก็เป็นวันใกล้เข้ามาและ ว, วันที่27ที่จะถึงตึดยังไงก็ครูบาทั้งหลายช่วยๆกันดูใครมีหน้าที่อะไรทีมอบหมายมอบฝังกันให้จุดแท้แต่พวกท่านทั้งหลายจะช่วยกันคิดเราขี้เกียจคิดพอเราอายุมากแล้วย่างววานแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันพวกเราช่วยๆกันคิดจะทำอะไร อย่เกิดประโยชน์ข้อสำคัญอย่าไปทะเลาะกันนะถ้าว่าคิดทำไปแล้วโมโหอารมณ์ร้อนนะอย่าไปอยู่นะรีบหนีอยู่ทำไมอยู่แล้วมันร้อนอยู่แล้วทำงานแล้วมันต้องนิ่งทำงานแล้วต้องนิ่งต้องอยู่ในความสงบเห็นไหมหลวงพ่อไปทำงานกับที่วัดหลวงตา ถึงจะมีแรงเสียดสียังไงอหลวงพ่อนี่ยเน่งออพอเราทำงานเราไม่ได้ทำงานเพื่อใครเราทำงานเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่โชกฟ้าดินสลายเมื่อไหร่ เ, เราต้องทำให้ดีที่สดุดในขณะที่เรามีหน้าที่เรารับหน้าที่ใด เราต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเรื่องอารมโมโหโกธาเขาฟังไม่ฟังอีกเป็นเรื่องถ้าเขาไม่ฟังก็จะแดงว่าเขาไม่มีเหตุผลต้องหยุดเราก็ไม่ต้องใช้เราก็ต้องหาใช้คนอื่นถ้าเราเขอใช้คนอื่นไม่ได้เราทำเองเป็นไรไปเพราะนั้นเราการทำการทำงานอยู่ด้วยกันหลายหลายคนต้องระวังต้องระวัง ความคิดต้องระวังอารมณ์อย่างหลวงพ่อเคยพูดหลวงพ่อบอกว่าลูกหลานทุกองเนะมาทำงานกับงานของหลวงตาเราไม่ได้ทำงานเพื่อใครอื่นนะเรามาทำงานเพื่อหลวงตาหลวงตาของเรามีพระคุณเพราะนั้นเมื่อเรามาทำกับหลวงตาเราต้องทาดีที่สดุด เรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเอาไว้ก่อนเราจะไปใส่ใจอันไหนจะเป็นเทิดทูนบูชาองค์ลงตาให้เราทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นทำาดยจิตทำาดยใจบูชาพระคุณหลวงตาเนี่ยแหละหลวงพ่อพูดบ่อยๆสรุปแล้วก็คือกลัวพระมา ต่างสำนักต่างท้องถิ่นต่างพื้นที่ไม่รู้จักกันบางทีก็พูดอะไรออกไปผงผางโป่งปางออกไปองค์ที่ได้ยินก็รับไม่ได้รับไม่ไหวเกิดศึกเกิดหมัดเกิดมวยขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อเป็นห่วงเพราะหลวงพ่อเกิดก่อนเขารู้อะไรเป็นอะไรเพราะนั้นหลวงพ่อพยายามพูดอย่างน้อยก็ให้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจ ผู้ที่มาทํางานร่วมกันได้หลายกลุ่มหลายคนหลายคณะให้ใจเย็นลงให้มองความพร้อมเพียงสมัคคีอย่าให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างจะได้อย่างไรแต่ใจของเรายังไม่ได้อย่างใจเราบางครั้งบางครั้งก่อนเราอยากได้อย่างหนึ่งแต่มันอีกอย่างหนึ่งอปเลยเพราะเหตุว่ามันมันไม่ได้อย่างใจเรานะแล้วคนอื่นจะได้อย่างใจเราได้อย่างไร ในสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดทบทวนให้ดีเวลาการทำการทำงานแต่เราทำงานเพื่ออะไรเราทำงานเพื่อหวังบุญหวังกุศลถ้ามันมีเรื่องมีราวอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วบุญกุศลมมนจะเข้ามาสู่จิตใจเราได้อย่างไรมันมีแต่บาปอกุศลจะเข้ามาแทนที่ทั้งที่เราจะสร้างบุญกลับได้บาปอกุศลก็ลสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดอีกเหมือนกัน การได้บาปอกุศลเราต้องการไหมบาปอกุศลไม่ต้องการถ้าไม่ต้องการบาปเราจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดถึงหยุดในการกระทํานั้นๆต้องใจเย็นสรุปแล้วต้องมีเหตุมีผลพระนอให้พวกเราทุกอง น, นะมารวมกันทําการทํางาน ถ้าหลายองค์ขึ้นมาหลวงพ่อเนะี่ยเป็นห่วงทันทีแหละถ้าไม่เป็นไม่มีงานมีการก็ไม่เป็นไรต่างองค์ต่างอยู่แต่ถ้าว่ามีการมีงานขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อนะั้นอดเป็นห่วงไม่ได้แต่ดูดูพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยสิพระอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจะมีไหมหลวงพ่อนะี่ยหลงพ่อว่าน่าจะปีเหมือนกันนะเพราะบางทีเราก็ยังวันได้ยินว่าพระเกเรนะไอ้พระเกเรก็มีอยู่ ในที่วัดสำนักพระพุทธเจ้าวัดป่าเชตตะวันมาชอบอะไรชอบดูชอบด า, อาชอบถากชอบทางคงจะมีหมัดมีมวยบางครั้งก็ไม่รู้แ่ะแต่พวกอยู่ในวัดล่ำคานแต่ก็มีพระองค์หนึ่งอีกอยู่บ้านนอกองค์นั้นโอ้โหดูเหมือนกันพูดอะไรถากทาง อจนพระบรร น, นอกทางกลุ่มบรรนอกก็อยู่ไม่ได้อ้ใกล้้าๆะยอมรับไม่ได้เอต่ออย่างอื่นมันก็ไม่เสียหายอะไรมากแต่มันอรารวาสมันเกเรแต่นี้พระบรร น, นอกเขาก็รู้กันว่าองค์เนีนะ้มันเกนเรมันไม่ยอมฟังใครออยู่ในเมืองเลยกันพระวัดเชตตะวันกันในองค์เนีนะ้มันเกเรไม่ยอมฟังใครบบนี้เขาก็เขาก็รู้นะ พอพระบรร น, นอกองค์นั้นมาเขาก็เลยมาจัดให้อยู่กุฏิหลังเดียวกันไงเอ่อมาจัดให้อยู่กุฏิหลังเดียวกันอพวกที่จัดให้เลยก็คงจะรู้ทั้งนั้นน่ะเขาก็คงอยากจะดูมวยในเมืองกับมวยบรร น, นอกว่างั้นเถอะในลักษณะอย่างนั้นแหละคิดวบางคนจะทะเลาะต้องเกิดเรื่องแน่แน่ลักษณะอย่างนั้นแหะเพราะบรรนอ ก, กมัหวหูอารมณ์ร้อนเน่ยพระในเมืององค์นี้ก็อารมณ์ร้อนอีกเหมือนกัน มาด้วยกันมันจะไปที่ไหนใช่หไหมทำให้ไม่ต่อยกันนะเยอย่างนั้นก็นต่อยวัฒนอต่อยวาจาละพวกนั้นทาไม่ต่อยมาต่อยมวยทีนี้นเขาก็มาจัด ก, กุฏิใส่หลังเดียวกันพอมาอยู่ด้วยกันเอ้อเหมือนปีเหมือนขุยพวกงั้นเถอะเออเข้ากันได้ดีมากๆเลยเออไปด้วยกันอดหลอดอดหลอดพวกงั้นเถอะเหมือนกับออกมาจากท้องเดียวกันถูกกันพระที่ จัดกุฏิให้ก็เลยผิดหวังว่างอนกันเถอะคิดว่าจะได้ดูมวยเหมือนนเอะมวยฟรีวันที่สุดก็เลยก็เลยพผล่นากันเอแปลกว่ะพระสององค์เนี่ยองค์บ้านนอกก็โอ้โหไม่ใช่ย่อยองคในเมืองก็ไม่ใช่ย่อยแต่ทําไมพอมาอยู่ด้วยกันมันทํามันมันถูกกันขนาดนี้เรื่องอะไรไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้ยมันเรื่องนี้มันมี มันเคยเป็นมาแล้วในอดีตชาติมนะันพระสงฆ์ก็เลยกราบฟูลพระพุทธเจ้าอดีตชาติมันเรื่องไหนหนอพระเจ้าข่าเนะี่เรื่องพระสององค์ทําไมมันถูกกันอย่างนี้พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าในอดีตชาติมีมา้าพ่อขาม้าในเมืองเนะี่ยคือพ่อ้ามา้ากีโกงอยู่ในเมืองนะเนี่ยเลี้ยงม้าไว้ถ้าม้าบานนอกมาเขาตีม้าเข้ามา มาแล้วก็เนี่ยนะม้าต roster, ัวนี a, ้เขาก็ปล่อยม้าตัวดุเนี่ยนะม้าเกเรเนี่ยไปหากัดหาไตหาทิบไอ้ม้าที่เขาออกมาเนี่ยเพราะในที่สุดมันเป็นบาดเป็นแผลเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็ขายราคาถูกๆให้บัดเนี่ยนี่แหละไอ้พ่อค้าม้าอยู่ในเมืองเนี่ยมันให้ม้าตัวเองที่ดุดุเนี่ยไปกัดม้าบ้านนอกพ่อค้าบ้านนอกโอ้พ่อค้าบ้านนอกเนี่ยก็ะอักกระอ่วนไม่รู้จะแก้ไขยังไง ตีนี้เขาก็ไปในชนบทใช่ไปก็ไปเห็นม้าต <Bal, S 2> ัว <generally> นี้อีกวันหนี่งม้าตัวบักใหญ่เลยเก้เลยอีกเหมือนกันเขาว่าม้าตัวนี้ดุมากเลยพวกพอข้าม้าเลยก็หลมซื้ออีกม้าตันี้อีกเอาละข่าวนี้พอเห็นม้าตันั้นมาเอาม้าตันี้เขาไปกัดกันเลยนะเตะกันอีกนก็เลยไปซื้อม้าตัวนั้นมาพอมาเห็นม้าตันั้นมาปล่อยม้าตันี้เข้าไป ไอ้มาสองตัวทั้งที่มันจะกัดมันจะทะเลาะกันนะโอ้ยไปเธอในเหมือนปีเหมือนขยอย่างที่ว่านั่นเออมาในเมืองกับมาบรรนนอกเหมือนกันทั้งที่มันจะกัดกันมันไม่กัดกันเหงือนกันมันไม่เตะกันอีกเดินไปด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องพ่อขามาดึงมดเท่างานั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าเน่ยมามาสองตัวนี่ยมันเคยมานั่น ผลที่สุดคือพระในเมืองน่ยก็คือพระองค์ในเมืองเ็คือพระมาของในเมืองเนี่ยนะไอ้มาบรรนอกกับตัวนี้และมันเคยเป็นมาแล้วมาสองตัวมันไม่เคยกัดกันเพราะมันชั้นเชิงมันเหมือนกันนิสัยมันเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อก็มาเปรียบเทียบอีกว่าแสดงว่าพระในครั้งพุทธกาลใน้พระเกเรมันก็น่าจะมีเหมือนกันนะ จึงมีนิทานจึงมีชาดกยังมีมาในธรรมบทอย่างนี้นะเพราะนั้นมาถึงยุคของเราเนี่ยไม่ใช่ยุคของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากเราปกครองมันก็ต้องมีผนกะกเกเลทั้งหลายทั้งปวงนะพวกไปคิดไม่อ่านนะบวดเข้ามาแล้วทั้งที่จะมาฝึกหัดดัดนิสัยชำระกิเลสโลภโกรดหลงออกจา ก, ก จ, จิตใจกลับมาแล้วกันนะออกมาเพ่งแต่มองแต่ข้างนอกชอบทะเลาะคนอื่น ชอบเห็นความผิดของคนอื่นไม่มองตอนเองคนที่ไม่มองตอนเองโดยมากมันมองนอกพอมองนอกก็สงนอกไปสงนอกก็เห็นแต่ความผิดคนอื่นไม่เห็นความผิดของตอนเองผลี่จุก่กระตุ้ด่าว่าเกาวกระแกนกกระแนคนอื่นเขาผลในจุ่นั่นเกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นอันนี้แหละคือสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเพราะในสิ่งเหล่านี้ พวกเราท่านทั้งหลายมาฝึกหัดดัดนิดสัยมาบวชนะมาฝึกหัดดัดนิดสัยสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอีกต่างหากนะอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีไม่เหมาะไม่ถูกต้อง น, ะนี่แหละถ้าเราทําถูกตอนนะั้นสรุปแล้วก็คือศีลเลยแต่ศนะีลของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อื่นไกลสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล อันนี้ก็คือศีลสมาธิคือทั้งตั้งใจมั่นสมาธิคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวจิตใจไม่ให้บกแวกกอนแคนไม่ให้ปล่อยจิตปล่อยใจออกข้างนอกสมาธิกิพานทีค่คือจิตจตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้ในเรื่องต่างๆรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญา กองสังขารความนี้กว้างขวางมากเลยสังขารภายนอกสังขารภายในสังขารภายนอกก็คือร่างกายสังขารสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรควรจะทําอย่างไรมันจึงจะเหมาะสมถูกต้องอันนี้สังขารภายนอกสังขารภายในก็ดูใจข้นตนเองความนึกคิดความปรุงของใจความนึกคิดของใจว่าสังขารภายในอันนี้ก็ให้ดูอีกเหมือนกันให้รอบรู้ในกองสังขาร สังขารภายนอกทั้งสังขารภายในให้รอบรู้ให้รู้เอาไว้ควรจะทํายังไงควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรควรจะหลบจะหลีกอย่างไรถ้าเราบีปัญญารู้จักหลบรู้จักหลีกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางผลที่สุดก็เอาสติปัญญาของตนเองพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจ ดูดพดจากอาสวักิเลสนี่ยคือปัญญาตัวปัญญามีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะปัญญานี่นะถ้าคนมีปัญญาจะใช้ปัญญาเป็นทางไหนใช้ไปในทางสัมมาทิฏฐิหรือใช้ไปในทางมิจฉาทิฏฐิถ้าใช้ไปในทางมิจฉาทิฏฐิก็โหเสียหายอย่างมหาศาลเหมือนกันอย่างที่เขาใช้ปัญญาไปทําระเบิดปรมาณนะูอย่างนี้ มันจิบหายขนาดไหนถ้าใช้ปัญญาไปในทางที่ถูกต้องอย่างพระพุทธเจ้าใช้พระปัญญาปีชาปัญญาของพระ อ, องค์ชำระกิเลสโลภโกรดหลงออกจจิตใจจากนั้นก็นำทำคำสอนที่ท่านได้ชำระโดยปัญญาของพระ อ, องค์มาแนะนำสั่งสอนเวไนยศัสัตถ์ทางหลายทั้งสองพันกว่าปีมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละใช้ปัญญาเหมือนกัน ปัญญามิจฉาทิธฐิและก็ปัญญาสัมมาทิธฐิปัญญามิจฉาทิธฐิก็อย่างที่ว่านะพวกเราก็ช้ำอกกช้ำใจก็ทั้งทุกวันนี้อพอหหเหตอะไรเร็ยนไหมประเทศญี่ปุ่นลุกระเบิดปรมนณูจากนั้นก็ยังมีที่เขาคิดได้กนะันทาเกิดประโยชน์ก็มีเอามาทำไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแต่ถึงยังไงก็เป็นพิษภัยร้ายแรงอีกเหมือนกัน พลังปรมาณูลงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันก็อันตรายไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เขาคิดได้ยังไงก็คิดได้จากข่าวนู้นแหละแต่เขาคิดขึ้นทําปรมาณูขั้งแรกนะแต่สรุปแล้วก็คือคิดได้ทํามจะคิดได้ก็ต้องใช้ปัญญาอย่างที่ว่านะพอใช้ปัญญาขึ้นมาแล้วก็เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือจะใช้ให้เกิดโทษนนะแต่ก็น่าบูชาน้ําใจเขาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ ไอ้ชไตรายเขาบอกว่าถ้าเขาให้เขานับถือศาสนาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอะไรเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าเขาจะนับถือพระพุท ธ, ธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแนวมีแนวความคิดคล้ายคแนวความคิดของเขาเป็นแนวความคิดแบบที่เขาคิดนั่นคือทำพยายามให้เป็นหนึ่งทําจิตใจให้เป็นหนึ่งทําจิตใจให้สงบนงพวกนี้เขาค้อ เขาคิดปรมามโนเขาคนลักษณะอย่างนั้นนะเนอ่ยคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะมันยังเข้าสไตล์ของของเขาขเขา้ากับเรื่องของเขาได้เนี่นแหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือปัญญาตัวนี้นะ่ะได้ทั้งสองอย่างเป็นทั้งมิจฉาทิฏฐิเป็นทั้งสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นพวกเราเป็นนักพจน์นักบวยควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิ ถ้าว่าคิดเปลี่ยนเปลี่ยนตนก็เปียงยังเป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วกัลังแกคนอื่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกเหมือนกันถ้าว่าเป็นคุณทุกแห่งหนอนนั่นเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบปัญญาอันชอบสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปจัดเขว่ามักแปดจนสัมมาส ม, มา ธ, ธิเป็นครั้งสุดท้าย สิ่งเหล่านี้เอามาใช้ทางโลกก็ได้เอามาใช้ในทางธรรมก็ได้ถ้ารู้จักใช้นะถ้าไม่รู้จักใช้ก็เป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองต่อผู้เกี่ยวข้องต่อโลกทำเอาไปใช้ทําลายโลกก็ได้ปัญญาเนี่ยเอามาสร้างสารรค์โลกก็ได้ปัญญา เ, เพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าปัญญา ถ้าปัญญาลงมาใช้ทางไหนถ้าใช้ใทําลายคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าใช้ไปนในทางที่ถูกต้องก็ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเพราะนั้นพวกเราถึงยังไงอายุไม่ถึงร้อยปีแล้วควรจะทําสิ่งไหนที่เป็นสัมมาทิฏฐิควรจะแนวควรจะศึกษาในแนวนั้นจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเรา ให้เป็นคนดีผู้อยู่รอบด้านก็ให้เป็นคนดีด้วยกันต่างคนต่างดีอยู่ด้วยกันรกระลมเย็นเป็นถุกในกลุ่มในหมู่ในคณะในประเทศชาติบ้านเมืองในโลกยุคไหนที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีแต่ความพาสุขถ้ายุคไหนมิจฉาทิฏฐิฟังไม่รู้เรื่องกันมีแต่จะสังหารกันมีแต่จะฆ่ากันพวกเราจะหาความสุขได้อย่างไรวัดรู่แวงกันตลอดเพราะโลกทั้งโลก ใช้ปัญญาไปในมิจฉาทิฐิลับพรนุโมตนาให้พร